ลำดับนี้ตั้งหลายได้สมาทานแล้วต่อ น, นี้ไปก็ยัขอนำามาปณินกะปฏิบัติมาแนะนำท่านต่อไปแต่ความจริงการปฏิบัติเพกรรมฐ า, านนี่เป็นพื้นฐานใหญ่ <c oughs> นี่เราเรียนกันมาหลายจบไม่ใช่จบเดียว ผมหวังว่าถ้าว่าท่านหลายใช้เป็นยาเป็นเครื่องพิเจรณาคำแนะนำก็คงจะมีผลถ้ามีคิดว่ามีผลน้อยก็น่าสลดใจ <c oughs> ถ้าเราสนใจเกันจริงๆ <c oughs> โดยเฉพาะ อ, อย่างนี้งกากรรมาฐานสี่สิบก็ดี มหาปฏิปทานนั้นสวยกว็ดีแต่สองรการนี้ที่พระทั้งหลายท่านปฏิบัติมรู้มากวรูลผลนี่ท่านเรียนกันไม่จบท <c oughs> ่านเรียนกันเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าว่าสำนัของเราเฉพาะกรรมฐานสืสิบผมจำได้ว่าสอนมาสามจบแล้ว และมหาปฏิปทานนสูตรก็หลายรอบนี่ว่าก็เป็นรอบๆเดีวว่าบางทียิ่มากรอบจิตก็ยังเสืออันนี้ผมก็ทราบไม่ได้แต่ ว, ว่าถ้าจะพูดกันไปอารมใจพระที่มีความมั่นคงนี่มีอยู่มากแล้วก็บรรดาท่พุทธบริษัทที่มีความมั่นคงก็มีเยอะ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 แล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงยืนยันว่าพระองค์จะสร้างใครให้เป็นพระโสดาสีทาทานาค า, ารหันได้ <c oughs> แต่ความจริงคนที่ทำเรียตำไม่เป็นพระเรียรเจ้าก็เป็นของไม่อยากเราก็สอนเงินแล้วเราก็สอนกันอีกแนะนำแล้วแนะนำอีกฟังก็อยู่ทุกวัน แล้วก็หวังว่าท่านหลายมาทางแล้วก็คงจะจําได้แล้วก็ปฏิบัติได้วันนี้ก็มาแนะนํากันในเรื่องเบกินกะเล็กๆน้อยๆตามเวลาที่เพิ่งมีเมื่อได้พูดกันมาถึงเรื่องของพระโมกขลาและเบสรีบุตทผมก็เอาธรรมะที่พระโมกขลาและเบสรีบุตรฟังมาแล้วมาคุยกับท่านในวันนี้ พระสารีบุตรคนดีพระโมกขกันลายคนดีฟังทำโดยย่อว่าทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดงเกิดพระตาท้าโคตตรัสเหตุแต่งทำเหล่านั้นและเหตุแต่งความดับแห่งทำเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้ <c oughs> ความจริง ธรรมาข้อนี้เป็นอริยสัจที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าทำเราได้มีเหตุเป็นดงเกิดเราก็มานั่งดูอริยสัจ <c oughs> อริยสัจที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทุกสมุทัยมีโรดมักคำว่าทุกแปลว่าทนได้ยาก ไม่เกิดมาแล้วทุกข์ไม่เกิดมาจากอะไรเกิดมาจากเรามีขันห้าถ้า <c oughs> คนนี้เขาไม่มีขันห้าแต่ต้องระวังให้ดีนะคอรับคนผู้ที่ไม่มีขันห้าแต่กลายเป็นสัตนาบายภูมิเออเป็นสัตว์นารกเป็นเปรตแปลศรักระรกยนี่ก็ไม่เป็นเรื่องเหมือนกัน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 แต่ถ้าว่าอารมณ์ใจของเราน้อมนำจับอยู่ในได้ของอกุศลเป็นสำคัญเถ้ออาอกุศลเป็นใหญ่ทำความชั่วทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักรถไม่เคารพในจรณะสิทภาประการนี่เป็นอกุศล จรณะทั้งสิบห้ารายการจะาถามว่าข้อไหนผมขอยกยอดโตหมดทุกข้อถ้าไม่เคารพเป็นเจรณะที่ห้าสิบห้าข้อใดข้อหนึ่งก็ตามถือว่าปีจิตไปอกุศลทั้งหมดถ้าจะถามว่าปรับกันหนักเกินไปผมก็ต้องตอบว่าไม่หนักเพราะว่าเจรณะสิบห้าข้อใดข้อหนึ่งถ้าเราบกพร่อง นั่นหมายถึงว่าเราไม่พ้นอบายภูมิเพราะันว่าคนที่ฉลาดเขาก็ต้องเคารพในจรณะสิบห้าแล้วปฏิบัติให้ครขาทวนถ้าไอคนโง่ก็ไม่เคารพในจริยธรรมจรณะสิบห้าคือความประพฤติที่มันดีเนะี่ยไม่เคารพจรณะแปลว่าความประพฤติ เราต้องประพฤติในความดีให้ครบถ้วนจริงจัดว่าเป็นคนฉลาดงั้นมาสําหรับท่านที่มีชีวิตอยู่และไม่ยอมรับนักถือในจารณาสิบห้าไม่ประพฤติขอ้อ น, นทั้งสิบห้าข้อให้ครบถ้วนจัดเป็นคนโง่ถ้ามีเป็นอาทิตยมานในกายเพื่อตายไม่มีขันห้า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 สามอย่างนี้ที่ปลดขันห้าไปอยู่ในแดนที่มีความสุขว่าสายความฉลาดเป็นสำคัญตอนนี้แล้วก็หมุนเข้ามาถึงคำสอนก็องสมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้า <c oughs> ที่พระสัชชิตันบอกกับพระโมกคลาและนภาษารี่บุตรว่าทมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าทรงตรัสเหตุของทำนั้น แล้วความดับของธรรมนั้นพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วก็มานั่งดูอริยสัตว์ที่กล่าวว่าเป็นทุกข์ทำไมเราจรึงทุกข์ที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเรามีขันห้าแล้วก็ต้องสาวหาเหตุลงไปว่าขันห้านี่มันมีมาได้ยังไง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 เมอมีจิตที่มีอารมณ์ไม่พ่อใสตัณหาแล้วมีความอยากมีความทะเยอทะยานในลาบยศสนสญสุขเป็นปกติอุปาทานความยึดมัน่นถือมัน่นว่าลาบยศสนสญสุขเป็นชนะที่พึ่งของเรามันจะอยู่กับเราตลอดกาดลตลอดสมัยเรากับมันไม่จากกัน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 เอาสี่ก็แล้วกันแปดนะั่นเป็นตัวตว้เป็นตัวผ่านให้เป็นทุกข์เรามันหลงอยู่ในสี่คือลาบยศสนเสริญสุขอุปาทานยึดมัน่นถือมัน่นในลาบยศสนเสริญสุขว่าเป็นรณะที่ถูกจะอยู่ด้วยกันกับเราตลอดกาลตลอ ด, ลอดสมัยอกุศล คำว่ากุศลเพราะความไม่เฉลิลาจริงเข้ามายึดมาในเหตุนั้นนี่ลนะเพราะอาศัยเหตุทั้งสี่ประการนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็หมายถึงว่าโลกกระทำทำได้จาโลกกันได้ลาบได้ยดได้สเสริญได้สุขที่เป็นกามคุณเมาเพราะเราไม่ละเหตุทั้งสี่ประการนี้เราจรึงต้องมีกัรห้าคือต้องเกิด ถ้าเราจะต้องการความสุขเราก็ต้องหาทางตัดเทือที่เกิดขันห้า <c oughs> ตัดมปนเสียเขาคนที่เขาไม่มีขันห้าในด้านฉลาดเนเขามีความสุขอย่างท่านนันหลายที่เป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมคนดีหรือว่าพระอรหันต์ที่เขานิพพานแล้วก็ดีถ้ามีสภาพร่างกายเป็นทิพย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 ถ้าสุขจริงๆก็ต้องเป็นราหันต์ข้านิาพานนี่เ <c oughs> รามานั่งดูกันตรงนี้ร่างกายมันเกิดมาจากกิเลสตัณหาปาทานอกุศลกรรมฟังยากฟังกันหมว่าร่างกายมันจะมีขึ้นมาได้เพราะว่าเราติดอยู่ในราบติดอยู่ในยศติดอยู่ในสันเซินติดใอยู่ในสุข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 แม้แต่ร่างกายที่เป็นสมบัติที่ใกล้ชิดที่สุดว่าเป็นของกูมันก็ไม่ไปด้วยเวลาตายส่วนที่มันจะไปก็คืออทิตสมาในกายที่เราเรียกกรรมจิตเห็นแล้อยังว่าการติดในลาบติดอยู่ในราบคําว่าราบหมายถึงสิ่งที่ได้มาร่างกายเราได้มาจากการเกิด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 ตอนนี้เขาทำยังไงองค์สมเด็จพระสัสมมาสมัมพุทธเจ้าทรงแนะนำํำว่าเราก็ต้องใช้สับวัตตัดตัณหาให้สิ้นไปทไําใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตัดเหตุของทานั้นได้เหตุถึงความดับหาตัวดับเหตุเหตุที่ทําให้เราเกิดก็ได้แจตันหา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 ท่านที่มีความผันผลนอยู่นี่คงจะไม่ใช่วิสัยที่ผมจะส่งเคราะห์ท่านได้อาจจะต้องเป็นวิสัยของท่านผู้อื่นแต่สำหรับที่ท่านเรียบร้อยใจเรียบสนิทจะมีเยอะเพราะว่าพูดง่ายใสย่ง่ายเท่าไรท่านก็ไม่เข้าใจ นท่านอุมาสุกมาสิกาบางคนก็เหมือนกันพูดง่ายแสยง่ายก็ยังเท่าไหรก็ตามไม่เข้าใจยังใช้อารมณ์ที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยของอเวจี v G อยู่ก็ยังมีนี่ขอท่านนหลายปรับปรุงใจกันเสียดีนะเพราะท่านนันหลายที่อยู่ที่นี่ถ้าพลาดจะไม่ไปไหนอเวจี A v G แน่นอน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 อง์เห็นว่าโสดาบันมีอะไรบ้างทรงกันได้หรือเปล่าองเขาว่าโสดาบันคือหนึ่งเคารพในพระพุทธเจา้าสองเคารพในพระธรรมสามเคารพในพระสงฆ์สี่มีศีลบริสุทธิ์แล้วห้ามีจิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ เท่านี้ทํากันได้แล้วหรื อ, อยังถ้าอย่างไปที่ไหนก็ไปเจอรนรกที่นั่นเท่านี้ทําได้หรือไม่ได้ถ้าทําไม่ได้ก็สแสดงว่าหมดต้นทางแก้หมดต้นทางช่วย <c oughs> ผมจะไม่พูดอะไรให้มากจะบอกว่าตัดตัณหาด้วยอันนั้นตัดตัณหาด้วยนี่ผมไม่พูดแร้วพูดกันตรงตรง พูดอ้อมไปอ้อมมาก็ฟังไม่รู้เรื่องว่าเรามีปัญญาพอจะจีเห็นว่าพระพุทธเจ้าดีแล้วหรือยังเราใช้ปัญญาใกล้ควพระธรรมคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นของจริงแล้วหรือยังเรามีความเคารพในพระอริยสงฆ์จริงแล้วหรือยัง นั่งวัดใจของเราดูแล้วสิ่งของเราบริสุทธิ์จริงๆหรือเปล่านั่งวัดใจให้ดีนะไม่ต้องอมากเรถถาเท่านี้ทำได้แล้วหรือยังและอารมณ์ใจขอาน้าท่านรักพนิพพานเป็นอารมณ์แล้วหรืออย่างอย่าถือเหตุภายนอกเขา้ามาถือ คนใจเราเหตุภายนอกไม่ห้ามเขาไม่ได้ค <c oughs> วามความวุ่นในกิจการงานความตีตกิจที่เหตุที่ต้องแบกภาระต่างๆเป็นเรื่องของการเกิดถือว่าเป็นเรื่องธรรมดางานมันเหน่อยเท่าไหร่เราต้องเข้าใจเรื่องของงานว่าเราเสื่อเกิดมาทําไม ถ้ารู้ว่างานมันยุ่งแล้วก็เสือเกิดมาทำไมถ้าเรามัเสือเกิดมาแล้วนี่เราก็ต้องยุ่งแบบนี้เม่ยุ่งแล้วก็นุ่งยุ่งใช้นี่มันเพื่อไม่ยุ่งต่อไปทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันครบถ้วนอย่าให้มันอย่าทาจิตใจให้มันเข้าไป็นคนบริสาทตัวเอง เือว่าภาระหน้าที่มียังไงทำไปเพื่อความอยู่เป็นสุขเราชำระนี่ส่วนที่เป็นอกุศลละการอดทนต่อความทุกข์นี่เป็นภาระจิตของเราเป็นนั้นว่าอันดับต้นความเป็นระโสนารัาบเศกิจทาคาก็ได้แก่มีสาราณาคมพบท้วนมีศีลบริสุทธิ์จิตรักพนิพาน ยากเกินไปไหมนี่แหละตัวระคำหน้าแต่กันห้ า, หาแล้วถ้ารมทรงได้อย่างนี้ก็ใช้กา ย, ยกตตานุสติกาสุปกรมฐานควบคุมกำลังใจเื่อร่างกายของคนในสัตว์มันสกปรกร่างกายของคนละสัตว์ปตแปรนิจังหาความเที่ยงไม่ได้ มีความเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเป็นปกติเราจะมานั่งรักหลงไหลไฝฝันในร่างกายของคนอรืสัตว์ว่ามันเป็นของสวยมันเป็นของสะอาดมันเป็นของดีไม่น่าความโง่ใดเรื่องอะไรแต่กำลังใจอารมณ์แห่งกามารณมทิ้งไปเสียให้หมด เอาจิตก็้ยอมรับรับถืออย่างความเป็นจริงว่าคนที่เขามีคู่ครองนะเขามีสุขแล้มีทุกข์ในคู่ครองของคนแต่ละคนนะ่สอาธสุกอรกใช้ปัญญาหาความจริงเพียงเท่านี้จิตมันก็ละได้คิดมันไว้ทุกวันคิดมันไว้ทุกวินาทีใค่คนหาความจริง ว่าคนที่เรารักที่เราบูชาว่าสวยสดงดงา ม, มสะอาดสุะกปรปกผมไม่อธิบายเ้าฟังกันมาไม่รู้เท่าไหรแล้วยังโยเยกันอยู่ก็เชิญลมรกรกตามอัิยาศัยเนื้อต่อไปก็มาถือความโกรธความพยาบาท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 เราไม่อยากมีทุกเราก็เฉยเสียในเมื่อเราพูดดีกับเขาเขาไม่รับฟังเราก็เฉยเรเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราไม่สนใจกับวาทะที่ไม่เป็นที่ถูกใจของเราทําจิตได้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าวาธะที่สร้างศัตรูเป็นวาธะที่สร้างความทุกข์ ในเมื่อเขาอยากจะทุกข์เมื่อเขาอยากจะเลวก็าปล่อยเขาเลวไปแต่ผู้เดียวการโกรธการพิว่ายการเป็นศัตรูสิ่งใดกันมันเป็นทุกข์ป็นความ ร, าร้อนเรามาต้องการใช้ลมวางเฉยใช้สะบะช่างมันใครจะได้ก็ช่างมันใครจะนินทาก็ช่างมัน ใครจะสรรเสริญก็ช่างมันไม่รับทั้งหมดตามจิตกมหนดว่าวาทประเภทนี้เป็นวาทเลวทั้งสองอย่างทั้งคำนินทาได้สรรเสริมมันเลวหมดยกประโยชน์ให้แก่บุคคลผู้นั้นเราไม่เอาเราเฉลยเสียเป็นสังขารุเปกขายานถ้าทรงอารมณ์ได้สองระการเบื้องหลังนี้ได้ท้าเรียกว่าพระอนาคามีนี่มันยากตอนี้เนี่ย บอกว่ายากก็บพราคิดมาทั้งวันสิตั้งอารมณ์ไว้ทุกวินาทีเท่านี้ปเดี๋ยวก็หมดมไม่อยากไปบากอะไรเมื่อเป็นอนาคามีแล้วก็เป็นของไม่อยากตอนนี้เลยอรหัตะผลอรหัตผลนี่ก็เป็นของไม่อยากก็ตัดฉั้นท่กับราคาคือไม่สนใจกับร่างกายของเราด้วย ไม่สนใจร่างกายของบุคคลอื่นด้วยไม่สนใจกับวัตถุธาตุในโลกทั้งหมดคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ชามันก็สลายตัวไม่มีอะไรดีสําหรับเราเราไม่ถือว่ามันเป็นชนะเป็นที่พึ่งของเราและก็เราก็ไม่ถือว่าทะของบุคคลอื่นไม่ถืออารมณ์ของบุคนอื่นเราทําใจช่อยชื่นอย่างเดียวว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ทรัพย์สินในโลกไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเรามันเป็นของกิเลสตันหาวปาทานเมื่อพังมาไราพอใจเมื่อนั้นขึ้นชื่อว่าความเกิดมีขันห้าร่างกายอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราความเป็นเทวดาหรือพรหมจะไม่มีสําหรับเราสิ่งที่เราต้องการก็คือปณิพัน์นี่แค่นี้เท่านั้นแหละ ไม่เห็นมนีอะไรยากได้พูดกันแบบไปง่ายแต่ความจริงพูดกันมาเยอะถ้าใช้อารมณ์ให้มันทรงตัวถ้ามันไม่นำบากมันก็สาเหตุนอสมเหตุผลอะไรเวลาสาหรับที่จะแนะนากั น, น, น, ม, นมันก็หมดแล้วได้ขึนพูดต่อไปอีกมันก็ไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เมื่อเวลาหมดมก็ง้อจเพียงท่งนี้ต่อที่นี่ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดํลรงจิตให้มัน ทรงอยู่ในอิยาบททัสี่รายการจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้พิจารณาหรือภาวนาไปตามอัิยาสัยยิ่งกว่าท่านหลายจะเห็นว่าเวลานั่นสมควรสวัสดี